เพราะฉะนั้นยาคูที่พึงกินแล้วดื่มเชื่อว่ายาคูสําหรับดื่มกินของเหล่านั้นประกอบด้วย <c oughs> เนย <c oughs> ไซน้ำเพึ่งน้ํา <c oughs> อ้อยปลาหาซื้อปลาซื้อเนื้อหาดอกไม้หาผลไม้หารสุดอร่อยๆเรียกว่าของเคียวเอามารวมกันหมดเรียกว่าเป็นการปรุงแบบยิ่งสมัยนี้แรียกจับโต๊ะจีนรับเลยเหมือนกันนะนะจีนเรียกว่ารั บ, ย, รบยิ่งใหญ่มากมโหราณใหญ่โตเลยเพราะเกณฑ์ประชาชนมาเรี่ยไรบอกบุญกันใหญ่โตนะ ทั้งของดอกทั้งอะไรว่าหาของหอมที่เขาใช้ทาศรีรษะสําหรับผู้ที่ต้องการเล่นกีฬาคึ่งงานนั้นแกเป็นเจ้าภาพรายใหญ่หมดไปแสนหนึ่งแล้วนะโดยส่วนตัวนี่หมดแสนหนึ่งก็เรียอะไรเอาของคนอื่นมาเยอะแยะไปหมดเลยครั้งนั้นเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่ปฏิบัติสรีระกิจเสร็จแล้วพรองมีพระภิสุสงแวดล้อมเสด็จบ่ายพระพักเข้าไปยังเมืองอาตุมานาครเพื่อเที่ยวบินธบานนะันนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้เอาเรื่องของสุภัททะมาคิดเลยเนี่ยนะเจ้ามาพระองคก็บินธบาตตามปกติของพระองค์คนทั้งหลายก็ไปบอกหลวงตาสุภัททะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จเข้าบิณธบะเนี่ยท่านจัดข้าวต้มจัดข้าวยาคูหงต้มต้อนรับใครทําไว้ให้ใครหลวงตาสุภัททะนั้นก็นุ่งผ้าดําเหล่านั้นเนี่ยนะโอ้โอก็หือกะ อ, ออบเลยนะเดือดร้อนลําบากใจเลยแหละเอามือข้างหนึ่งจับทัพพีและกระบวย เรีกว่าใช้มือใช้จบับอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเอามืออันหนึ่งเนี่ยจับผ้ากาสาวะผ้าดำใช่ไหมแหวนก็มันรุงรังหน้าดูอีกอันหนึ่งถือถือทับพีถือกระบวยก็คือกระบวยแปลว่าตักทับเพียไว้ผัดเอาไว้อะไรเนี่ยนะแล้วก็คุกเ ข, าข่าข้างขวาลงที่ผื้นดินถวายบังคมดุจพรหมขาข้างหนึ่งเรียกว่าเอาย่อนลงดินอีกข้างหนึ่งตั้งขึ้นเนี่ยนะมือข้างหนึ่งถือ ถือถ้าพีถือกระบวยอีกข้างหนึ่งถือผ้ายักรังแล้วก็โอ้โอาราธนาเลยนะว่าดูแลน่าสังเวชอ่ะนะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกองสัยไม่เอามาเก็บไว้ที่บ้านเราเด็ดขาดเลยนะกลัวจะอัปมงคลอะไรง้ น, นะ เสร็จแล้วก็คุกเข่าลงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับข้าวยาคูข้าวต้มของข้าพระองค์เถอดแล้วทําทําเลี้ยงต้อนรับเป็นพิเศษอย่างนั้นหรือไงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถตรฐามสอบถามว่าอาหารนั้นนะไปยังไงมายังไงคือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ละเอียดละออนนะอาหารเนี่ยได้รับการผ่านมาอย่างไรไปยังไงมายังไงแล้วก็ฟังคํา ที่สุภัทละเล่าให้ฟังทั้งหมดเสร็จแล้วพระองค์ไม่ได so ้อนุโมทนาแม้แต่คําเดียวตรงกันข้ามติเตียนพระสุภัทวุฒิบรรปชิตเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุรองบัญญัติศิกขาบทสองข้อศิกขาบทว่าด้วยการชักชวนในสิ่งที่เป็นอกกัปปิยะชักชวนในเรียกว่าไปเรี่ยไยผิดประเภทที่เป็นอาบัตเหมือนกันและศิกขาบทว่าด้วยการรักษาเครื่องมีดโกนมันที่เคยเป็นช่างกระบอกมาก่อน จะต้องไม่มีเครื่องรักมีดโกนเป็นของตัวเองเนี่ยมนะันจะโกนก็ต้องให้คนอื่นเขาทำให้ที่มาแล้วในขันธ ก, กะเสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยเบ็ดเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายเราภิกษุผู้สแสวงหาโพชนะล่วงไปหลายโกฎกับแปลว่าเวียนวตายเกิดเพื่อสแสวงหาโภชนะสแสวงหาอาหารคือคำเข้ามากักดนลงท้องเนี่ยนะ พวกเธอบริโภคโภชนะที่เป็นอักกัปยะของพวกเธออันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมอาหารที่ได้มานั้นแปลว่าไม่ถูกต้องหลวงตาสุภัท tha จะไปชักชวนอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะนั้นเรียกว่าไม่ถูกต้องถ้าถ้าผู้ใดบริโภคอาหารอันนี้จะต้องไปเกิดในอบายอีกหลายแสนอัตภาพแปล ว, ว่าเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอีกหลายแสนชาติเพราะฉะนั้นจงหลีกไปยามาหยุดยือ้อ คือคือสุภาษเนี่ยแบบคล้ายๆกับควางถนนเลยนะนี่มลไปฉันทางโน้นเถอะขอร้องอ้อนวอนแล้วพระองค์ก็ตําหนิอย่างเรียองก็รุนแรงเพราะหมายความว่าถ้าหากว่าไม่พระพิสุทั้งหลายไปฉันอันนั้นก็ไม่ต้องคิดจะงอหัวออกจากวาตะอะไรหรอกเพราะของเหล่านั้นเนี่ยได้มาโดยมิจฉาอาชีพผิดธรรมผิดวิดนัยผิดคําสอนเนี่ยนะไม่ใช่สัมมาอาชีวะตามที่พระองค์สอนเอาไวา้เพราะนั้นก็เลยห้ามเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่อนุญาตให้พระภิสุแม้แต่รูปหนึ่งรับภิกษาอันนั้น ขณะเดียวกันพระองค์ก็ชวนพระภิษุบินธบาตไปหลวงตาสุภาธาเนี่ยตำหนิตัวเองนึกเกลียดพระพุทธเจ้า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 ถึงตั้งอยู่ในความสำรวมระวังต่อไปแต่วิสัยคนพานก็คือคนพานเนี่ยนะว่าคนพานทั้งหลายเนี่ยก็คิดตรงกันข้ามแกแกเสียใจมากเลยเนะเสียใจมากนี่แปลว่าโกรธมาก เ, เสียใจแปลว่าโกรธโกรธพระพุทธเจ้าผููเวนในพระพุทธเจ้าเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เข้าใจคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิญาณบอกว่าตัวเองสารพัดรู้สารพัดเห็น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 บอกนี้ไม่บอกแฝ่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอ้างว่าพระองค์นี้สารพัดรู้สารพัดเห็นรู้ไปทุกอย่างถ้าหากว่าพระองค์รู้จริงน่าจะส่งคนมาบอกเราบ้างสิทําไมน่าจะสงสารกันบ้างนะนี่อาหารนี่เรากินได้ตลอดชาตินะเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันเสียหายปรุงเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอาหารเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดวันก็เน่าหมดแล้วเกลียดพระพุทธเจ้ามากเลยนะ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 พระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมอบกายถวายชีวิตอุทิศทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครที่มาต่อต้านพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็เลิกคุยด้วยแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่นับเป็นญาติไม่นับเป็นมิตรเขาเรียกว่าคำว่ามิตรคำว่าเพื่อนไม่มีในคนพานเพราะอะคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนนั้นเขาบอกว่าความเป็นมิตรความเป็นญาติไม่มีอยู่ในหมู่คนพานมันคนพานจึงไม่นับว่าเป็นญาติไม่นับถือว่าเป็นมิตรไม่นับถือว่าเป็น พวกพองนั้นก็ได้ตัวเองก็ทําไงอ่ะพลาดมาหลายอย่างเลยใช่ไหมก็ได้แต่เงียบแต่ใจเนี่ยผูกเวรโกรธชุนก็เรียกว่าฉุนเฉียวในเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะมีอยู่คนเดียวนี่แหละที่บอกว่าเขามีอยู่สองกลุ่มนะที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วดีใจกลุ่มที่หนึ่งคือเดรถัถย์กลุ่มที่สองนี่ก็คือหลวงตาสุภะนี่แหละที่ดีใจที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเพราะฉะนั้นแม้หลวงตาสุภะ น, นะนี่ถือว่าเป็นยิ่งกว่าศัตรูของพระาศาสนาอีกนั่นเนอะ เพ่าะอะไเพราะถือว่าเกลือเป็นหนอนซะเองเหมืนกันะก็เหตุผลนี่ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีความเมตตากรุณาต่อหลวงตาสุภาาัท t h แต่หลวงตาสุภัต t h ควรจะรู้ฐานะที่เป็นจริงของตัวเองที่เข้ามาในพระศ า, ศาสนาเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าก็ทํากิจของพระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อะไรเรียกร้องแต่ความ สนใจอยากจะทําตัวเป็นคนเด่นอยากจะทําตัวเป็นคนพิเศษให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรนะยกยอเยินย อ, ยอ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรขึ้นมาพระองค์ก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เขารบทำแต่วางว่านะอสสัตว์บุรุษก็คิดอย่างอสสัตบุรุษคนผานก็คิดอย่างคนผานคิดส่วนบัณฑิตก็คิดตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นผานกับบัณฑิตท่านจึงบอกว่าอยู่ห่างกันเข้าเล่ากันว่าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับที่ดวงอาทิตย์ตก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 ไอ้ตอนที่ทำลายพระศาสนานี่ไม่พูดสักคำเดียวเนี่ยนะเรียกว่าตอนที่ประสงค์ร้ายมุ่งทำลายพระศาสนากลับไม่ไม่อะไรเลยนะมันก็เก็บใจเรียกว่าผูกใจไว้เอหาโอกาสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพอทราบว่าพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยนะก็เลยหลวงตาสุภัทธากเขาคิดว่า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 ทั้งๆ้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาด้วยความทุกยากพระพุทธศาสนากว่าพระองค์จะสร้างบารมีทั้งเสบอุป ป, ปารมีปรามัตถารมีมหาบริจาคห้ารวบรวมคุณธรรมพุทธภูมิทั้งหมดกว่าจะได้ประพฤติธปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอกบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยด้วยความทุกยากและลําบากแต่คนบาปนี้สิกลายเป็นเซียนน้ํากลายเป็นมะเร็งร้ายเนี่ยนะงอกขึ้นมาใน